มันก็ค่อยอ่อนตัวลง่คนต้องขัญนั่นหมายมันก็อ่อนตัวลงมันก็อัดตามันลดลงความยึดถือความมีความเป็นมันลดลงเมือมันลดลงไปมากเท่าไหร่เนี่ยความทุกข์มันก็ลดลงไปมากเท่านั้นมันลดลงไปตามระดับของมันด้วยกําลังสติที่มันเกิดขึ้นรู้เท่าทันอยู่บ่อยๆแล้วมันก็ ลดลงลดลงลดลงตัวตนแล้วก็น้อยลงน้อยลงเขาว่าตัวตนมายถึงความยึดถือนะเขาไปยึดถือในกายในจิตอันนี้หลยเรียกว่ามันเป็นอัตตาเพราะนั้นตัวเราก็เป็นอนัตตาอยู่แล้วโดยธรรมชาติจิตก็เป็นอนัตตาอยู่แล้วโดยธรรมชาติแต่ทีนี้ด้วยความไม่รู้ของเราเนี่ยเราก็เลยเข้าไปเกี่ยวข้อง soup. เข้าไปมีไปเป็นเรียกว่าไปสร้างอัตตาไปสร้างความยึดถือขึ้นมา อัตตานี้นึบใช่ละมเอ๋คือความยึดถือนะทละความยึดถือได้อัตตามก็หมดกันทังจริงให้เรียนรู้ให้ศึกษาให้องความเข้า ใ, ใจภาวะของรูปของนามการเจริญนิพนากนหมายถึง่ว่าต้องมีสติแล้วเนี่ยเกิดขึ้นแล้วเนี่ยต้องกำหนดรู้ทั้งกายทั้งใจรู้ รู้ความไม่เที่ยงทั้งหมดรู้ความทุกข์ของกายของใจทั้งหมดเห็นสภาพที่มันไม่เป็นอะไรทั้งหมดเนี่ยมันก็เลยทำให้ง่ายขึ้นมาเพราะนั้นความทุกข์ของกายเนี่ยประดังนี้เคยกล่าวเลยว่ามันเป็นธรรมชาติของความเกิดเราจะหนีไปไหนก็ น, นีไม่พ้นอนะ่ะถ้าเรายังมีกายอยู่ ความทุกข์ทางกายก็ต้องมีความแก่ความเจ็บปวด <c oughs> มันเป็นวิบากถ้าเราไม่มีกายเนี่ยจริง้มันจะไม่มีทุกข์ทางกายมันมีเสมอเหมือนกันหมดระหว่างพระอริยบุคคลกับปุถุชนความทุกข์ทางด้านร่างกายเนี่ยมีเสมอเหมือนกันพระพุทธองค์ก็มีทุกขเวทนาทางด้านร่างกายพระอรหัน ก็มีทุกเวทนาทังด้านร่างกายมีเหมือนกันหมดหลีกหลดไม่ได้จนกว่าร่างกายีจะแตกดัดไปนะ่ะทุกทางกายที้งจะหมดแต่ว่าโดยความที่พระพุทธเจ้าก็ดีดพระอรหันต์ก็ดีพระ อ, องค์หรือพระหันท่านเป็นผูท้ที่มีใจที่ปล่อยที่วางแล้วมีใจที่รู้แล้ว เข้าใจชีวิตเข้าใจธรรมชาติแล้วท่านก็จิตถองท่านก็ไม่เป็นทุกข์ถึงร่างกายของท่านจะเจะ็บจะปะวดจะทรมานแต่จ่าใจของท่านก็ยังคงเป็นปกติเป็นปกติด้วยใจท่านไม่เศร้าหมองไม่กระวนกระวายในภาวะของควาทุกข์นั้นท่านรู้ชัดใจท่านก็ปล่อย พา <c oughs> ท่านมีทุกเพียงด้านเดียวทุกกายแต่ทุกจิตของท่านไม่มีแตอนะ่อย่างเราเนี่ยนะเราเป็นผู้ปฏิบัติอยู่เนี่ยเพราะมันเวลาทุกมันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเมื่อกายเป็นทุกจิตก็เลยเป็นทุกไปด้วยเนะมื่อจิตเป็นทุกร่างกายก็พอได้รับวิบากทุกไปได้วยกันเพราะมันเป็นสิ่งที่อยู่ด้วยกันอาศัยกันอยู่เรียดจะไม่ออก <c oughs> มทุกมันก็ทุกหมดมันทุกหมดเลยมันจะเทือนถึงกันหมดเพราะนั้นถ้าหากว่าเรารู้จักพิจารณาแล้วว่าเออไอ้ทุกส่วนกายนี่ก็เป็นทุกนอกเป็นทุกธรรมชาติทุกธรรมดา อ, อ้าวหรือเมื่อมันมีกามทุกเกิดขึ้นมาเนี่ยเราก็แก้ไขไปตามเหตุตามปัจจัยออมันหิวคนมีอาหารเราก็รับประทาน เมื่อมันร้อนเราก็หาที่เย็นๆหาที่พักหรืออาบน้ำนั้นหลบไปหาที่มันไม่ร้อนมันก็เป็นการแก้ทุกข์ไม่เจ็บปวดหรือจะเปลี่ยนแปลงอริยบทกินยารักษาตามธรรมชาติแก้ไขไปเป็นเรื่องของการแก้ทุกข์ทางกายนี่พวกหมอพวกพยาบาลในเขาเก่งแล้วศึกษาเรียนรู้มาก ประเเมื่อทุกทันกิจเกิดขึ้นมาเนี่ยเราจะต้องแก้โดยการรู้เท่ารู้ทันอารมณ์คือความรู้สึกเกิดขึ้นจากการตรงต่เมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยต้องกําหนดรู้รู้ขณะนี้มันพอใจเขารู้อ๋อขณะนี้ไม่พอใจมีสติรู้ขณะนี้ใจโกรรู้ร ขณะนี้ใจรักรู้ขณะนี้ใจชังรู้ขณะนี้ใจมันคิดอย่างนั้นตอนนี้ก็รู้อยู่เสมอรู้ใจอยู่เสมอระวังใจอยู่เสมอกลวก็ในตามหลักทฤษฎีที่ตามหลักคําสอนที่องค์ทรงบัญญัติในหลักของความไม่ประมาทเนี่ยสมมอกว่าระวังใจไม่ใช้กาหนัดในอดมเป็นที่ตั้งความกําหนัด ระวังใจไม่ให้ขัดเคืองในอารมณ์ปฏิตั้งความขัดเคืองระวังใจไม่ให้มัวเมาในอารมณ์ปฏิตั้งความมัวเมาระวังใจไม่ให้หลงในอารมณ์ปฏิตั้งใ้ความหลงการระวังใจก็คือการมีสติรู้ใจอยู่เสมอนั่นเองพอเมื่อสติมันเต็มแล้วเนี่ยมันไม่ต้องระวังมันเป็นให้มันเองมันรู้ชัดให้มันเองแต่ในขณะที่สติเนี่ย ยังฝึกยังปฏิบัติอยู่เนี่ยก็มีการระแวัระวังระวังจิตเขาบอกว่าผู้ใดระวังจิตผู้นั้นจะพ้นจากเดืองแห่งมารการระวังนี้ก็หมายถึงกันต้องมีสติรู้อยู่เสมอเดินจงกรมอยู่ก็ดีสร้างจังหวะอยู่ก็ดีสมปรนหมายใจอยู่ก็ดีตพื่มีสติสั้นฟั้งรอนสั้นเรียงระวังอยู่เสมอเวลาที่ความคิด การปรุงแต่งมาเกิดขึ้นเนี่ยนี่แหละตรงนี้แหละจะต้องรู้ทันมันนะติมันรู้ทันรู้ทันแล้วมันก็หยุดมันก็สงบมันก็รังอับมันก็ดับไปอกุสมที่ยังไม่เกิดมันก็ไม่เกิดขึ้นหรือกุณธรรมความดีต่างๆหรือความรู้ความฉลาดต่างๆความใสในทางดีเกิดขึ้นมันก็จะกระโจนหอกงามยิ่งขึ้นไปเพราะนั้นจึงว่าสติเนี่ย ที่เราฝึกกินนะจิ้ม่ามันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากท่านจึงเพื่อก็เป็นคำที่มีอุปการะมากมีอุปการะมากก็หมายถึงว่าเหมือนกับเราเนี่ยอ่ะมีพ่อมีแม่หรือมีผู้ผปกครองที่ดูแลเราอยู่เราก็ปลอดภัยอยู่ก็ปลอดภัยท่านก็ดูแลระมัดระวังว่าเรายังช่วยเดลือเองไม่ได้อพ่อแม่ก็ดูแลรักษา ว่า ม, มีอุปการะมากเราจะมีชีวิตอยู่มาได้เพราะพ่อแม่เป็นผู้ที่มีอุปการะคุณให้ชีวิตให้ร่างกายให้ทุกสิ่งทุกอย่างทนั้นธรรมะสติสมชัญญะเนี่ยเมื่อฝึกฝนอบรมเมื่อปฏิบัตใิให้เกิดให้เจรินให้มีให้เป็นขึ้นในจิตในใจของเราแล้วเนี่ยจะมีอุปการะแก่ จ, จิตใจมากที่สุดจะคอยปกป้องปกป้องคุ้มครองคอยรักษา คอยกระตุ้นเตือนคอยบอกคอยสอนเราอยู่อันนั้นผิดนะอันนี้ถูกนะอันนั้นดีนะอันนั้นไม่ดีนะนนนสติจะคอยกระตุ้นเตือนบอกอันนั้นจะเห็นให้เกิดทุกนะอันนี้เห็นให้เกิดสุขนะสติจะบอกเราเตือนเราอยู่ตลอดมีเพื่อนมีกาลยานามิตรหรือมีครูบาอาจารย์ก็ ค, คือเป็นผู้ที่มีสตินี่เองนเพรอคนเรามีสติดีแล้วเนี่ย ทำที่เป็นอกุศลหรือโลภก็ดีโทสะก็ดี โ, ดโมหะ ก, ก็ดีความอิจฉาพยาบาทความเห็นแก่โตเกความโลภเหล่านี้มันก็ไม่เกิดขึ้นแล้วเพราะว่ามีปัญญาที่รู้เห็นแล้วว่าอะไรเหล่านี้ความคิดเหล่านี้การปรุงแต่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยล้วนแต่เป็นสิ่งที่นำทุกข์มาให้จิตใจทําให้ใจมันหลงทําให้ใจมันมันมวเมาทํำให้ใจมันตลเลิดลืมหนะ้าลืมตัว การปฏิบัติทำจึงเป็นการมาทําสติทำสมธัญญะเนี่ยให้เจริญงอกงามขึ้นแล้วสมาธิมันก็เป็นขึ้นมาเองคนเราถ้ามีสติดีแล้วเนี่ยสมาธิมันเกิดเองทำไมคะธนาธิที่เป็นธรรมาชาติเพราะว่ามีการรักษาจิตอยู่เสมจิตมันก็มีความสงบอยู่บ่อยๆอาการที่จิตมันมีความสงบมีความรู้อยู่บ่อยๆแล้วมันเป็นสมาธิ พรสมาธินี้ต้องเอาไปใช้กับหน้าที่การงานเอาไปใช้กับชีวิตประจําวันของเราเป็นสมาธิที่จะทําให้จิตเรานั้นมีการพักผ่อนอยู่ตลอดเวลามันเป็นสมาธิอยู่ในตัวของมันเองจะทํางานอยู่จะเดินอยู่มันก็เดินด้วยสมาธิจะเคลื่อนไหวอยู่ก็เคลื่อนไหวด้วยจิตใจที่มีสมาธิที่มีความตั้งมั่น สมาธิอันนี้จึงเป็นสมาธิที่นาไปใช้ได้ทุกรูปแบบทำงานด้วยสมาธิทำงานด้วยความตั้งใจจิตใจก็ไม่วันไม่ไวไม่กับไม่หลงไม่ไหลไปกับอารมณ์ความคิดต่างๆใช้ความคิดเป็นว่าเรื่องนี้มันควรคิดควรนึกควรใช้ประโยชน์ก็นาไปใช้ประโยชน์พอาฝก ด, ดีแล้วก็นาจิตไปใช้มันเป็นประโยชน์ ไม่ใช่จะปเป็นจิตที่เกลียดคร้านเป็นจิตที่ไม่ทํางานเพราะจิตที่ฝึกได้แล้วจิตที่ปฏิบัติแล้วเนี่ยเอาไปเอาไปใช้การใช้งานได้การใช้งานของจิตเป็นอะไรที่นำไปนึกคิดในสิ่งที่จะสร้างสรรค์ทำประโยชน์ช่วยเหลือเพื่อูนกันเพราะว่าการฝึกจิตก็นําไปใช้ในทางที่มันถูกต้องไปใช้ฝึกจิตแล้วไม่ให้มันคิดอะไรเลยการที่ไม่คิดอะไรเลยน่ะ มันไม่ถูกต้องแล้วเพราะว่าอะไรเพราะวาความคิดที่เราคิดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นการทำ ง, งานของจิตเป็นการทำ ง, งานของจิตเพราะทุกอย่างต้องทำ ง, งานเสมอตาก็ต้องทำ ง, งานในการดูหูก็ต้องทำ ง, งานในการได้ฟังจมูกก็ทำ ง, ง, ง, งานในการที่จะต้องรับรู้กลิ่นลิ้นก็ทำ ง, งานลักษณะที่ต้องรับรู้รส เกลือหวานมันเค็มที่มานสัมผัสกระปริ้นกายก็ต้องทำงานด้วยการสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งยืนเดินนั่งนอนคูเหยียดเคลื่อนไหวต่างๆนั่นคือการทํางานของธรรมชาติจิตใจก็ต้องทํางานเพราะมันก็คือมันต้องนึกคิดทีนี้ความคิดที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยถ้าหากว่าความคิดนั้นมันประกอบไปด้วยโมหะประกอบไปได้วยความหลงประกอบไปได้วยความยึดมั่นถือมั่น ประกอบด้วยตัณหาความพยานอยากดินน้นรนนั้นมันเป็นความคิดที่มันเป็นสังขารสังขารกระนั้นถึงมันมีสิ่งที่มันมาผสมประสานเป็นตังทาให้เกิดอัตตาตัวตนขึ้นมาในความคิดนั้นความทุกข์มันก็เกิดทีนี้นความคิดอีกอย่างหนึ่งคิดอันนี้มันจะประกอบ ด, ด้วยศีลด้วยความเป็นปกติความคิดที่ประกอบ ด, ด้วยสมาธิที่เสถียเนี่ย หือประกอบด้วยปัญญาเนี่ยมันเป็นวิสังขารหมายถึงความคิดที่มันไม่มีตัวตนมันคิดทำหน้าที่ของมันอยู่หมายถึงขันธ์ห้านั้นมันไม่มีอุปาทานมันก็ทำหน้าที่ของมันพระพุทธเจ้าก็มีขันธ์ห้าพระอรหันต์ก็มีขันธ์ห้าคือันธ์ห้านั้นจะทำหน้าที่อยู่กายก็ทําหน้าที่ยืนเดินนั่งนอนขูดเหยียดเคลื่อนไหวอยู่เวทนาก็ทําหน้าที่เสวยอารมณ์ รับรู้อารมณ์อยู่ฝุ่ทุกเกิดขึ้นก็รู้อยู่สัญญาก็ทำหน้าที่ที่มันจะต้องจดจําเรื่องราวต่างๆที่ผ่านเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเรตนาก็ต้องมีการนึกคิดยินยาง ก, ก็ต้องทานหน้าที่ที่จะต้องรู้ต่างตาหูจมูกลิ้นกายใจขันท่าก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมแต่ว่อุ ป, ปาทานความยึดมั่นถือมั่นในขันท่าของ พระอะสงหรือเอยะบุคคลนั้นไม่มีตรงนี้เองนะเพราะขันธ์ท่านประกอบด้วยศีลขันธ์ท่านประกอบด้วยสมาธิขันธ์ท่านประกอบด้วยปัญญาขันธ์นั้นประกอบด้วยสติเขาเป็นเป็นตรงประกอบเป็นทันที่เป็นองค์ประกอบของขันธ์แล้วขันธ์นั้นก็เป็นขันธ์ที่บริสุทธิ์เป็นขันธ์ที่บริสุทธิ์ไม่ถูกปรงแต่งไปด้วยอา น, นาถังกิโลกหรือโลภโทสะโมหะไม่มี เป็นวิสังขารหรืเป็นหรือว่าพฤติกรรมที่แสดงออกก็เป็นเพียงกิริยาไม่เป็นกรรมไม่มีวิบากที่เป็นทุกข์ไม่มีผลที่เป็นทุกข์เพราะมัน iciency, มันไ <anders. S 2> ม่มีกิเลสปัญหาเป็นเพียสิ่งที่ปรุงตรงจิตเพราะฉะนั้นจึงตั้งเข้ใจว่าไม่ใช่ว่าหันท่านจะไม่คิดเลยพระพุทธเจ้าทำไมคิดพระองค์ก็คิดเหมือนกับเราเหนกั จะช่วยเหลือเกืือกูนกรอบคูส่าาสัตว์ให้พ้นจากกองทุกข์ให้พ้นจากกองกิเลสให้พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดขนสัตว์ดอกสัตว์เตือนสัตว์นำสัตว์ไปสู่พระนิพพานคือความไม่มีไม่เป็น<ห>ไปสู่<ห>ความดับโดยชิ้นเชิงเพราะนั้นท่านบอกท่านจึงกล่าวไว้เรามีสองอย่างสุปปาทิเศสนิพพานอย่างหนึ่ง อนุปาทิเสตานิพพานอย่างหนึ่งมันนี้ก็เรามีพานมีอีกสองอย่างพิพานอย่างหนึ่งก็หมายถึงดับกิเลสแล้วเนี่ยแต่เบญจขันยังมีอยู่คือร่างกายขันธ์หน้ายังทําหน้าที่อยู่แต่นไม่มีอุปาทานขันธ์ทุกขทุกข์ก็ยังมีอยู่นั่นเดินมาทางด้านร่างกายเนี่ยอย่างพระอรหันเนี่ยนี่โดกัป็นผู้ที่ว่ามีสุปาทิเสตานิพพานคือเบญจขันยันไม่แตกดับอย่างพระอรหันผู้ที่ อพาที่ยังหมายถึงดับร่างกายไปแล้วนี่ยมายถึงขันท่าแปดดับเนี่ยแล้วก็อธธนุปาทิเตสานิพานพมายถึงดับสนิทนะท่านจะไม่กลับมาเกิดอีกไม่มาเป็นมนุษย์เป็นสัตว์มาเวียนว่ายตายเกิดอีกท่านจบท่านเข้าสู่นิพานแล้วจิตท่านดับสนิทแล้วไม่มาเวียนว่ายในวัฏสงสารอีก เน่้องมาเกิดนะมนุษย์มาเป็นสัตว์ไม่ต้องมีวิบากมีการมีผลแห่งการอะไรแล้วท่านจบแล้วคีว่าท่านจบอุู่เพีแค่ น, น, นั้นเห็นว่าการเกิดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่เป็นความสำเร็จอะรล้มันเป็นแ เ, เรื่องของความทุกข์นะเนี่ยมีลักษณะอย่างนั้นอันนี้ศึกษา ม, มาจากตำราเอาท่านกล่าวไว้อย่างนั้นเพราะว่าพระละหันวันมีอยู่สองคือละหันที่ละกิเลสแล้วยังมีเบญจขันธ์เดี๋ยอยู่ร่างกายยังไม่ไม่ตาย เวทนาก็ยังมีอยู่สัญญาก็ยังมีอยู่สังขารยังมีอยู่วิญญาณยังมีอยู่แต่ว่าวิญญาณเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นไม่มีอุปาทานนี่เป็นธาตุหันโดยในชาติปัจจุบันสิ้นภพสิ้นชาติสิ้นทุกแล้วทางด้าน จ, จิตใจของท่านแต่ว่ร่างกายยังมีอยู่แต่ยังผู้ที่เรียกว่าดับขันนุกทานหมายถึงผู้ที่หมดอา่าร่างกายแต่ดับจบ ก, ก, กันแล้วก็จบจบไปแล้วไม่ต้องมาเวียนว่ายอีก นี่คือลักษณะของการเป็นไปของพระอรษยเจ้าของพระรหลานอย่างไรนี่ยังไม่ตายจริงนะบอกว่าคนที่ยังมีกิเลสตัณหาอุปาทางอยู่เนี่ยมันยังเวลาที่ตายเนี่ยตายยังมีจริงนะยังมีแล้วว่าเหตุปัจจัยที่ยังต้องทําให้เป็นไปอีกนะยังมีดีบาทยังมีกรรมดีกรรมชั่วยังมีบุญมีบาปที่ยังต้องส่งผล ให้ผลไปอีกยังไม่จบภพชาติมันต้องยังมีอีกท่ากล่าวเอาไว้อย่างนั้นท่านเราก็มาพิจารณาดูถ้าหากว่าเราถาว่าคนบาปบุญหรือว่าคนโทษมันไม่มนเนี่ยพระโอคก็ของจะไม่สอนมันเป็นสิ่งที่ยังมีให้ผลอยู่ไม่จิตมันยังไม่ไม่ถึงนิสึกถึงทุกยังมีกิเลสปัญหาอยู่เนี่ยความโกรธอีกมันย่อมี กรรมก็ยังให้ผลวิบากกรรมก็ส่งผลทจคงสอนเรื่องกรรมดีกรรมไม่ดีเนี่ยสอนเรื่องโลกิสอ น, นเรื่องโลกิยะเนี่ยสอนเรื่องหลักษณะของการเรียนไายตายเกิด อ, อันนี้ก็มีเป็นคําสอนที่มีอยู่ในศาสน า, าพาหก็มีอยู่ก่อนเ<ๆ>ขาสอนในเดียู่เพียงแค่ น, นี้เรื่องการเรียนไายตายเกิดแต่เขายังไม่รู้จักนิพพานยังไม่รู้จักการออกจากทุกยังไม่รู้จักการที่จะดับสนิทเข้า ห, หมดเชื่อไปจากการเรียนไหวาตายเกิดเขาก็สอนให้เป็นคนให้เป็นเทวดาให้เป็นมนุษย์ ก็าสอนในทางดีแก็สอนอยู่แค่โลกิยะสอนอแค่การเยียนไหวตายเกิดพระพุทธศาสนาพระโตองค์อุบัติขึ้นมาเนี่ยก็สอนสูงขึ้นไปอีกคือสอนให้ดับวิเลตดั บ, บกองทุกไม่ต้องมาเยียนไหวตายเกิดอีกเข้าสู่นิพพานไปเลยเนี่ยสอนอะไรสูงไกว่า น, นั้นพรัษาศาสาานาพามก็ไม่ใช่ว่าเขาจะสอนผิดไปทั้งหมดแต่แเ้าก็สอนอยู่ในลักษณะของโลกิยะยังไม่พ้นไปจากการเยียนไหวตายเกิด แต่พุทธศาสนาทสอนให้หพ้นไปจากการเรียนว่า้ตายเกิดปันหาเกิดไปที่เรายังสร้างกรรมดีกันเช่วย อ, อยู่เนี่ยกรรมดีกันเชื่วยอย่างนี้ก็จะเกี่งผลอยู่ตะะลอดเขาบอกว่ากรรดีก็ให้ผลดีกันไม่ดีก็ให้ผลไม่ดีเพราะนั้นพบภูมินะละลกเป๋จุลกายสัตเดรัฉานมันก็เป็นพบเป็นภูมิของวิบากการรมทั้งสัตที่จะต้องไปอยู่พบสู่ภูมิเหล่านั้นตามเหตตามตัจัย นิสสัณฐางก็มีสอนอยู่พุทธเราก็ไม่ได้ปฏิเสธตรงนี้ก็มีอยู่ไม่ได้ปฏิเสธก็จะมีสอนอยู่นั้นเหมือนกันเพราะะฉนั้นจึงว่าท่านจึงสอนเทละชั่อทันดีเนี่ยที่ว่ามีการสอนในขณะที่ทั้งเป็นโลกยะอยู่แต่ถ้าสอนโลกุตระก็สอนเป็นไปเพื่อการดับกิเลสดับกองทุกข์ให้สิน้นเชิงอย่างพระอรหันตุพระพุทธองค์เนี่ยหมายถึงเพื่อที่ หมดกิเลสหมดความทุกข์หมดการเวียนว่ายตายเกิดแล้วคือจบแล้วจบพรมจันทร์แล้วอยู่อย่างผู้ที่สิ้นทุกข์แล้วเพราะนั้นถ้าเราเข้าใจว่าการมาปฏิบัติธรรมเนี่ยถึงแม้ว่าเรายังไม่ถึงนักถึงผลในขั้นสูงสุดหรือถึนิพพานเนี่ยแต่เราก็ได้สร้างเสรงอุปนิสัยสร้างเสรบารมีสร้างเส ร, ร, ส ร, งเสรองอ ก, ก, รกัลยาณกรรมหรือสร้างเสรกรรมที่ดีเอาไว้ รักษาสินให้ทานหรือการปฏิบัติธรรมจึงเป็นเรื่องที่เป็นการกระทนเพื่อการทำให้แรงนั้นอยู่บนพื้นฐานแห่งความไม่เดือดร้อนไม่ทุกข์มากสร้างอยู่บนความดีความดีความเชื่อมันจึงเป็นสิ่งที่ให้ผลเราทั้งจึงสอนเรื่องกรรมเรื่องผลแห่งกรรมเราทั้งหลายมีกรรมเป็นที่พึ่งมีกรรมเป็นเผ่าพันมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย เรทําการบรรดาไว้ดีก็าตามชั่วก็ตามเนี่ยก็จะต้องรับผลแห่งกรรมนั่นแน่นอนเรื่องนี้นวิบากกรรมนั้น ม, มีแน่นอนพันการที่เรามีศูนมีภาวนามีการปฏิบัติมีการสมรวมมีการระมัดระวังอยู่เสมอเนี่ยเพราะเป็นการละจากสิ่งที่มีดีก็มาเข้าสู่พระสิ่งที่มันถูกต้องที่ดีจึงสมรวมระมัดในการระวังอยู่เสมอชีวิตที่เกิดมาเนี่ยมั น, นมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเราไม่ได้อาจจะไม่ได้เป็นคนอยู่เสมอไป แต่เมื่อผลการวิบากกรรมมันมาถึงเนี่ยอาจจะฟัดไปเป็นอย่างอื่นก็ได้ไม่แน่การเป็นมนุษย์มันก็ไม่แน่นอนก็มีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นได้เนื่อปัจภาวาจิตมันตกต่ำลงไปอาจจะเป็นสัตว์นรกเป็นเตลุกกายสัตว์เดรัจฉานมันเป็นได้เพราะมันเป็นตั้งแต่เป็นมนุษย์นี่แล้วพอจิตใจมันเป็นอะไรมันก็เป็นอนั้นพอจิตใจสังกัสร้างกันที่เป็นมนุษย์มันก็เป็นมนุษย์เมื่อจิตใจสร้างกันให้เป็นเตลุก ถือเป็นเทพมันก็เป็นเทพเมื่อจิตใจสร้างกรรมที่เป็นผลมันก็เป็นผลเมื่อจิตใจสร้างเป็นสมที่แต่กรรมไม่ดีเป็นสัตว์เดรัจฉานมันก็เป็นสัตว์เดรัจฉานเมื่อจิตใจที่สร้างสมแต่อารมณ์ที่โลภะหรือคนเป็นเตะมันก็ไปเป็นเตะเพราะจิตใจมันอยู่ที่วิบากกรรมมันจะทรัพไปมันพบทุนต่างๆันมันจึงเป็นวิบากเป็นผลของการที่จะเกิดขึ้นเพราะถ้าเราต้องการที่จะพ้นจากกรรมหรือออกจากกรรมเนี่ย ก็คือการมาปฏิบัติอณาฐานอย่างนี้แหละมาปฏิบัติอย่างนี้ทำสติเจริญปัญญานี่ให้มากคอยดูพฤติกรรมของจิตตัวเองเวลาที่จิตมันคิดประกอดไปด้วยกิเลสโรภะเข้ามาคุงแต่งอารมณ์ก็รู้ทันมะัม่นแหละคือเหตุที่มันจะทําให้เกิดวิบาเกิดผลนี่สิ่งที่ไม่ดีมโนกรรมจะเป็นเรื่องสำคัญที่สุดถ้าเรารู้ท่ธรรมมโนกรรมแล้วละมะโนกรรม่ อยู่เนือกรรมที่อยู่เนือความคิดที่ดีที่ชัว่วเพี้ยนเนี่ยมันจะประเสริฐถ้าเรายังติดอยู่ในความคิดดีนะความเกิดใายดีก็ยังต้องมีอยู่ถ้าเราคิดในเรื่องในดีเอความเกิดไปไม่ดีมันก็มีอยู่เพราะนั้นถ้าเรามีสติมีสัมปัญญะที่รู้อยู่ในจิตในใจเราเนี่ยเวลาที่ใจเราสร้างมโนกรรมอะรขึ้นมาคิดอะไรขึ้นมาเนี่ยเราจะต้องมีสติที่าจะรู้กรรมนั้นจะไม่ตามมัน นี่มันคิดไม่ดีเอา โ, โนกุกามเกิดขึ้นในทางไม่ดีเป็นาบาปเป็นอกุศลแล้วเนี่ยหยุดพฤติกรรมเหล่านั้นไม่คิดเรื่องนั้นผลักจิตกับมาหาความรู้สึกตัวเะหยุดไม่ปรุงแต่งจิตจะเกิดราคะรู้ทันราคะไม่ติดตามราคะเอาความรู้สึกตัวนี้เป็นหลักกลับมาหาความรู้สึกตัวราคะนั้นหยุดจิตเกิดโทสะไม่สบายใจเห็นจิตกํลาลังปรุงอยู่เห็นการนึกคิดอยู่ให้รู้ทันอยู่กับมหาความรู้สึกตัวซ ะ, ทะโทสะดับ จิตที่เคยเผลอเคยหลงไปกับอารมณ์ความรู้สึกต่างๆเมื่อมาอยู่กับความรู้สึกตัวอย่างต่อเนื่องเนี่ยอยู่กับกายเป็นหลักเนี่ยมันได้ความรู้สึกตัวในสัมปชัญญะขึ้นมาแล้วเนี่ยมันเห็นจิตเห็นใจตัวเองผล็นมโนกันตัวเองจิตมันจะสร้างกรรมใดรู้ทันกรรมนั้นอยู่เสมอนั้นก็เป็นการที่จะอยู่เนื้อกันมันคิดดีก็รู้ก็ไม่หลงในความดีนั้นมันคิดไม่ดีก็รู้ก็ไม่หลงในความไม่ดีนั้นแต่ก็ใช้จิต เป็นลักษณะที่เป็นกลางกลงอยู่ไม่ติดดีไม่ติดชั่วแต่ก็อยู่เหนือดีเหนือชั่วอยู่เนือบุญเหนือบาปกคือมีสติสำมะชินนีที่อยู่เหนือความคิดไม่ยึดมั่นถือมั่นในความคิดไม่เป็นผู้คิดเป็นผู้รู้คิดหมายถึงท่านรู้อย่างนั้นพรรมดุลกามเจริญสตินะี่มันจึงมีผลมีอนิสงส์มีเรียกว่าสิ่งที่ประเสริฐมากที่สุดเลยเพราะสตินี่มันจะเป็นสิ่งที่กํากับรู้ถันจิตอยู่ตลอด ถ้าคนเรามีสติรู้ทันจิตยอย่างนี้แล้วเนี่ยจิตจะไปทําอะไรที่ไหนมันรู้ทันหมดเลยมันจะอยู่ในเป็นเลิกเป็นผู้บังคับบัญชาแต่นี้เราไม่มีสติเป็นเป็นเป็นผู้นําไม่มีสติคอยดูแลเนี่ยไม่มียาไม่มีปัญญาอย่างรู้ความคิดอารมณ์ที่ปรงแต่งเนี่ยมันก็เลยหลงไปกับอารมณ์เวลาความโกรธเกิดขึ้นก็เอาความโกรธนั้นเป็นนายผลักดันคิดนึกสร้างอารมณ์ไปในสิ่งที่อิจฉาพยาบาทกันไป เมื่อความโกรธเกิขึ้นก็คิดไปตามความโกรธเมื่อความโลภเกิดขึ้ก็ไปตามความโลภเมื่อความเหลงเกิดขึ้นก็ไปตามความหลงไม่มีสติปัญญาที่เคยรู้เท่ารู้ทันอาการตารุงกันแต่งของจิตของใจเพราะฉะนั้นจรว่ามันเป็นเรื่องที่จะละบาปละกรรมละความชั่วจะตัดบาปตัดกรรมก็ตัดกันที่ตรงจิตนี่แหละรู้กันที่ตรงจิตนี่แหละพฤติกรรมภายนอกหรือการแสดงออกทางกายทางวาจาเนี่ย ท่าจริงเมื่อเราไม่สามารถที่ยังสติให้รู้ทางความคิดได้ท่านจริงเอาศีนมาเป็นสิ่งที่ป้องกันมาเป็นวิ้นในมาเป็นข้อบัญญัติห้ามมาให้ทําอย่างนั้นไม่ให้พูดอย่างนั้นไมื่อคิดอย่างนั้นก็เป็นการเมื่อให้มันไหลออกมาในทางที่ไม่ดีเป็นรล้ว ก, กันในในรอบนอกอ่สมาธิสูงขึ้นมาอีกก็เป็นสิ่งที่กั้นอยู่ในส่วนกลางแต่ ปัญญาที่เกิดขึ้นเนี่ยสัมปชัญญะเกิดขึ้นในจิตใจเนี่ยมันก็จะเป็นผู้ที่กั้นกระแสของความคิดอยู่ภายใ น, นทางจิตใจนั่นเองเพราะเมื่อเรารู้ใจอยู่ขเหนือแล้วเนี่ยมันก็จะรักษาใจได้ปฏิบัติใจได้ ป, ดปล่อยวางได้เพราะนั้นสาเหตุที่เราไม่รู้ทันจิตนี้เองเราจรึงโกรธเราจรึงโลภเราจรึงหลงเราจรึงเกิดเกิดอิจฉาริษยาเกิด เศร้าโศกใช้ใจแรงต่างมันมาจากไม่รู้ทันอารมณ์ไม่รู้ทันความคิดไม่รู้ทันปรุงแต่งแยกจิตจากอารมณ์ไม่ได้ไม่รู้ว่าอะไรคืออารมณ์อะไรคือจิตไม่รู้จิตเดิมไม่รู้จิตแท้ไม่รู้จิตที่เป็นธรรมชาติมันเลยบวกกันได้หมดเลยนะเป็นอันอันหนึ่งอันเดียวเลยหมดมองไม่เห็นเพรานั่นจึงว่าเออเรื่องของพุทธศาสนาเนี่ยสลับซับซ้อนหลายขั้นหลายตอนะ เพรนั้นท่านจึงสอนทั้งโลกิยธรรมแล้สอนโลกุตระธรรมสอนโลกิยธรรมก็สอนทั่วไปในลักษณะที่ให้ละชั่วทำดีเนี่ยอะไรคือสิ่งที่ไม่ดีท้าก็บอกหมดอะไรคือสิ่งที่ดีท้าก็บอกหมดมาให้กระพฤตดีให้กระทำดีให้มันเป็นโลกิยะอยู่นะต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารอยู่นั้นการดีการชั่วเป็นจริงๆเป็นสิ่งที่มีผลนะมีผลอยู่ตลอด มันให้ส่งผลอยู่ตลอดนั่นเองมาให้เราเข้าใจเพราะฉะนั้นการทำบุญการทำความดีการรักษาศีลมันจึงเป็นสิ่งที่มีผลที่จะตอบสนองที่จะทําให้จิตเนี่ยได้รับผลอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นการได้มีสติมีการสังเวมีการระมัดระวังตัวเองอยู่เสมอนเนี่ยก็เป็นการยกระดับจิตยกรฐานะของจิตให้ดีขึ้นให้ประเสริฐขึ้นให้สูงขึ้นให้มันพ้นจากปากอาบอายภูมินะพ้นจากปากนรกใะอย่าให้มันตกนรก เพราะเราจะเป็นอะไรก็ไม่ได้เป็นหยุดมันเริ่มเป็นกับปัจจุบันนี้แหละจะไปหวังว่าเป็นในอนาคตจะเป็นพระก็เป็นปัจจุบันนี้ให้จิตกันได้ถึงการเป็นพระถึงความเป็นผู้เประเผยถึงความเป็นผู้ที่ล่อยที่วางที่เข้าใจชีวิตที่เห็นทุกเห็นโทษของโลกเห็นทุกเห็นทุกเห็นทุกภัยของโลกการเชื่อสมณะก็แปลว่าผู้สงบจากบาปจากความชั่วจากอิเลส ชืว่าระก็คือผู้ที่ประเสริฐชื่อว่าภิกษุก็เป็นผู้เห็นภัยในวัตะสงสารเป็นชื่อของการเรียกผู้ที่มีความประทับใอย่างนั้นพระหมายถึงผู้ที่ประเสริฐมีจิตใจที่สูงเป็นอริยะบุคคลเป็นอริยะสงฆ์ชื่อของสมณะก็แปลว่าผู้สงบจากบาปแล้วสงบจากความชั่วแล้วเห็นบาปเห็นความชั่วเป็น สิ่งที่ไม่เจริญหูเจริญตาแล้วเป็นสิ่งที่นำทุกนําโทษมาให้อเป็นนะเป็พระเป็นภิกษุแล้ว่าผู้เห็นภัยเห็นภัยและในวั้องการเห็นภัยการเวียนว่ายตายเกิดเห็นภัยการดีการเชื่อต่างๆนะเห็นะมันเป็นผู้ที่เห็นอยู่ตลอดเวลาเป็นผู้เห็นภัยเพราะฉะนั้นการที่เรามาปฏิบัติธรรมก็อยากที่จะเปลี่ยนพฤติกรรม เปลี่ยนพฤติกรรมพฤติกรรมมันหมายถึงการแสดงการพูดวิกริยาต่างๆที่เราทำอย่างเนี้ยให้มันเป็นผู้ที่เรามีสติเข้าไปกํากับเข้าไปรู้จะทําอะไรก็ทําด้วยสติด้วยการพินิษพิจารณาว่าสิ่งที่เราทำนั้นมันถูกต้องไหมมันเป็นไปเพื่อประโยชน์สุดแต่เป็นเองหรืผู้อื่นไหมมันเป็นไปเพื่อการเครือกูนด้วยความเมตตาปราณีต่อมนุษย์ต่อ ส, สัตว์ไหมเราก็ต้อง ใช้สตินี้เข้าไปกำกับไปดูแลอยู่เสมอถ้าเรามีสตดิดีแล้วเนี่ยธรรมะที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดขึ้นทิริโอตต์ปะอายชั่วโกรธบาปก็เกิดขึ้นคันติโสระจะก็มีขึ้นกัตันดูกตเวทีนะก็จะเกิดขึ้นนะความดีต่างๆมันก็จะเกิดขึ้นมาหมดเ่ะตามมาเป็นพวงเลยเพราะอะไรเพราะสตินี้จะน้อมนึกถึงสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ แต่นั้นนึกถึงสิ่งที่เห็นสิ่งที่ไม่เป็นเป็นโทษไม่เป็นประโยชน์มันรู้ชัดทั้งสองส่วนนะมันรู้ชัดเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ชัดอยงนี้แล้วนี่ก็หลอกสัรวมระมัดระวังเท่านั้นเองชีวิตที่เกิดมามันก็เกิดมาเพื่อจะหาทางออกจากทุกข์การเมื่อกันยังไม่ถึงที่สุดแห่งทุกข์ก็แหกห้อยล้อตั้งมาอยู่